หลายคนแสวงหาคำตอบไม่มีสิ้นสุดแต่บางคนสิ้นสุดเพราะหยุดแสวงหาพระธรร ม, มเทศนาของท่านหลวงตานลวงภักดีนานเลยตอนหยุดก็พบจบที่ใจเอาไปร่ายพระนะรลายพระที่ไหนก็ได้อาเดามือมาอ่ากังวสุขกัเจริญส่นจากความทุกข์ยากลำบากให้รู้ตามเนืธรรมนะ ไายพาิบายก็ได้านนีก็ได้นะมันช่วยองสาอะไรไหมอมมีใจเป็นบุญอยู่ลวนะพื้นฐานมีคนมีใจเป็นบุญอยู่อืม็ช่วยฝึกฝนเพิ่มขึ้นอีกพราพื้นฐานมีใจเป็นบุญอยู่แลเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้ช่วยฝุกฝนเพิ่มขึ้นคือ จะปล่อยให้เพลินเพลินเจริญใจเข้าใจคําว่าปล่อยให้เพลินเพลินเจริญใจไหมเออแต่ละวันเนี่ยยังยังปล่อยให้เพลินเพลินเจริญใจเออปล่อยให้เพลินเพลินเจริญใจไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนาะปล่อยให้เพลินเพลินเจริญใจคิดไปปรุงแต่งไป นะเชื่อฝึกตรงนี้เพิ่มขึ้นได้ไหมว่าเพราะอย่างอื่นก็ดีมาแล้วอุณาจิตใจก็ดีทานก็ชอบทําอยู่การช่เหลือเกื้กอกูล ค, อคนคอื่นก็ชอบทําอยู่แต่ต้องฝึกเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าจิตใจ ย, ยังปล่อยให้เพื่อนเคนเจริญใจอืมพี่ปฏิบัติมาเองนะถูกในส่วนที่สวดมนต์ชอบสวดมนต์ไหมพระอันนี้ถูก แต่ในส่วนที่ลงมือในภาคปฏิบัติยังไม่ถูกคือยังปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านในการปฏิบัติแม้แต่ปฏิบัติอยู่ก็ยังปล่อยให้มันคิดนง่คิดมี่คิดฟุ้งซ่านไปยังปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปเื่อยไม่ค่อยรู้ท่อถานไหมอืมไม่ใช่ว่าสะกดไม่คิดนะแต่ต้องให้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันว่ากำลังทาอะไรอยู่พอมันเบื่เบอเพ้อเพ้อไปฟุ้งซ่านอะไรเราก็รู้สึกตื่ขึ้นมา การปฏิบัติในปัจจุบันแม้แต่ปฏิบัติอยู่แต่มันไม่รู้จุดตัวมันไม่ตื่นรู้มันรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันมันยังคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาพุ่งสร้านไปพุ่งสร้างมามันไม่มได้ม า, ามีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นถ้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันตัวอยู่ไหนจะอยู่นัานทาอะไรใจอยู่สิ่ง น, นั้น ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจก็มาอยู่นี่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่พอตัวมืออยู่นี่แต่ใจมันอยู่ในห้องนี้หลัาออกไปไหนไปแล้วเราก็ต้องออกกลับมาที่ให้มันอยู่ด้วยกันตัวกายกับใจมันเหมือนกับเนี้ยมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นเองพนมมือมือสองข้าง แล้วก็เอามาประกบกันมีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นเปรียบเหมือนอย่างนี้มือข้างหนึ่งก็คือร่างกายมืออีกข้างหนึ่งก็คือจิตใจกายกับใจให้มันอยู่ด้วยกันก็เอามาพนมไว้เหมือนเนี่ยพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีการพันนมมือเปรียบเหมือนกายกับใจอยู่ด้วยกันทุกขณะปัจจุบัน อย่างเป็นปกติตามธรรมชาติไม่ใช่บังคับวันไว้จนเครียดให้กายกับใจฝึกให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันอย่างเป็นปกติตามธรรมชาติไม่ใช่บีบบังคับมันไม่ให้คิดอะไรให้จนกระทั่งมันเครียดเลยเข้าใจไหมถ้ามันไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยกันก็เพียงแค่ลุ้ตทันแล้วก็ให้มันกลับมาอยู่ด้กันมันไม่อยู่ด้กันกายกับใจไม่อยู่ด้ยกัน ก็ให้มันรู้เตาตันแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันคำว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ตัวมาฟังธรรมกายมาฟังธรรมใจก็ต้องมาฟังธรรมด้วยไม่ใช่ว่า <dic> <m ela> ตัวมาฟังธรรมแต่ใจไม่มาฟังธรรมใจนูนออกนอก้ อ, องมาอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าตัวกับใจไม่ได้อยู่ด้วยกัน ก็ว่าตัวกระจายเดียกันก็คือว่ามันมาอยู่กับสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่มารู้เรื่องสิ่งที่ก็เราฟังอยู่รู้เรื่องสิ่งที่ก็เราพูดอยู่รู้เรื่องสิ่งที่กําลังคิดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดแต่ให้มารู้เรื่องสิ่งที่กําลังคิดอยู่มารู้เรื่องสิ่งที่เราพูดอยู่มารู้เรื่องสิ่งที่เราเนี่ยฟังอยู่มารู้เรื่องสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่เรากำลังจะทำอะไรให้มันรู้เรื่องสิ่งที่เรากำลังกระให้ชัดเจนให้มันรู้ตัวอยู่ว่า เราเนี่ยมารู้เรื่องสิ่งที่เรากำลังทอยู่ในปัจจุบันไหมหรือว่ามันไม่รู้เรื่องแล้วตัวมันอยู่ทางแตใจมันไปอีกทางตัวมันอยู่ทางไปใจมันไปอีกทางเราเราทําไปคิดไปทําไปคิดไปเราไม่เชี่ยวว่าทําไปรู้ไปเข้เาใจไหมเนี่งคิดเรืย ใใก็ถูกต้อ ง, ถ, องถ้าเรามีสติืปรู้อยู่ว่าเราสวดมนต์อันนั้นถูกต้องนะดูที่สติแต่อย่าไปดูที่ความคิดที่เราปฏิบัติอะเราไปดูที่ความคิด เราไปดูที่ความคิดเราพยายามไปไล่จับความคิดให้มันม า, มาคิดแต่เรื่องสุดมนเราเป็นปฏิบัติโดยไล่จับความคิดไอ้ความคิดเนี่ยมันมาคิดอยู่กับคําสุดมนเราไม่ได้ดูที่สติให้ดูที่มีสติสับปัญญาคือมาระลึกรู้อยู่ว่าสุดมนอยู่แล้วก็รู้ตัวอยู่ว่าสุดมนอยู่ รู้อยู่ว่ากําลังสวดมนต์อยู่แล้วก็รู้ตัวอยู่ว่ากําลังเสวดมนต์อยู่ให้มันรู้อยู่ในคํำสวดมนต์แล้วก็รู้ตัวอยู่ว่ากําลังสวดมนต์อยู่ไอ้ที่มารู้อยู่รู้อยู่คํำสวดมนต์นั่นแหละอันนั้นแหละเรียกว่าสติส่วนที่รู้สึกตัวอยู่ให้มันรู้ตัวอยู่ว่าเราเนี่ยรู้ตัวอยู่กับคําสวดมนต์อันเนี้ยคือสัมปชัญญะเขาจะพูดแล้วสติสัมปชัญญะมันคือตัวช่วยกันสติเนี่ย ก็คือมันมันรู้อยู่มาตื่นรู้อยู่ทั้งตื่นทั้งรู้ทั้งตื่นนะตื่นตัวขึ้นมารู้ตัวขึ้นมามารู้อยู่กับคําสวดมนต์แล้วสัมปชัญญะคือรู้ตัวอยู่ว่ารู้ตัวว่าเนี่ยกําลังอยู่คําสวดมนต์ดูที่สติแต่เราไปไล่จับที่ความคิดถ้าสติขาดต้องรู้สตัวขึ้นมาสติขาดรู้สึกเสือขึ้นมาอย่าไปไล่ดูที่ความคิด ให้ดูที่สติตื่นมาก่อนถ้าเราไปไล่ดูความคิดเราจะขาดสติถ้าเราไปไล่ดูความคิดอย่างนั้นไปแล้วเราไปไล่จับความคิดเราจะขาดสติเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับคำสวดมนต์ร้อยเปอร์เซนตแต่เราไปไล่ดูความคิดไล่จับความคิดเอามาไว้คาสวดมนต์เข้าใจไหมเนี่ยมันคล้ายคล้ายกันมากแต่ไม่เหมือนกันเราจะสมมติในฝังเรียบเจียบไปฝัง เหมือนเรามาเนี่ยมานั่งฟังธรรมนี่นะมานั่งฟังธรรมแล้วเราก็เอาลูกมาด้วยเอาลูกที่ส่วนๆมาด้วยสมมติอ่ะเรามานั่งฟังธรรมแล้วก็สมมติว่าเอาลูกที่ส่วนๆมาด้วยคนหนึ่งลูกที่ส่วนๆเนี่ยเปือบเหมือนจิตที่คิดปรุงแตง่ที่คิดไปที่เราว่ามันคอยคิดไปคิดนีนคิดนี่เนี่ยเราก็มาฟังธรรม การมาฟังธรรมเปรียบเหมือนกับว่าขณะเนี้ยการฟังธรรมเนี่ยใจจดจ่ออยู่การฟังธรรมก็คือใจจดจ่ออยู่กับอคําสวดมนต์ที่กําลังสวดมนต์อยู่หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าเปลียนตอนสวดมนต์ก็คืออการมาฟังธรรมเนี่ยใจจดที่จดจ่ออยู่การฟังธรรมเนี่ยสติสัมปชัญญะคือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับการฟังธรรมคือมีความรู้มีความเข้าใจได้ความตื่นตัวทั้งรู้ตัวเนี่ย ทั้งตื่นมาฟังด้วยทั้งรู้ตัวอยู่ด้วยว่าอืมตื่นมาฟังในความรู้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสติสัมปจัญญาทั้งตื่นตัวทั้งรู้ตัวด้วยว่าเนี่ยกำลังพูดอะไรพร้อมจะโต้ต อ, อบกับเราเนี่ยอย่างเงี้ยใ น, นปัจจุบันอย่างเงี้ยเรียกว่ามีสติสัมปจัญญาทั้งทั้งตื่นตัวรู้ตัวว่ามาฟังพร้อมที่จะโต้ตอบพร้อมจะคุยกับเราอย่างเงี้ยคือมีสติสัมปจัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์แต่บังเอิญเราเอาลูกน้อยมาด้วยคือจิต ท, ที่มันคิดปรุงแต่ง พอเราฟังฟังไปมีสติสมัมผัสญาณมารู้ตัวอยู่ว่าเรากําลังฟังธรรมจากเราเอาลูกน้อยมาด้วยเดี๋ยวคอยไปวิ่งไล่จับลูกับไปวิ่งไล่จับลูกแหละเอาไปวิ่งจะอะไรลูกแล้วล่ะไอสติที่จะฟังธรรมมันก็ขาดเพราะไปวิ่งไล่จับลูกอีกแล้วถ้าเราเนี่ยมีสติตื่นรู้อยู่ในการฟังธรรมลูกมันเล่นไปก็ปล่อยมัน เพราะว่าห้องนี้เขาไม่ได้มีอันตรายอะไรเดีายวจะเล่นแล้วก็ปล่อยมันสาบใดที่เราสติไม่ขาดเดี๋ยวมันจะกลับมาเองเดี๋ยวลูกมันก็กลับมาเองคือจิตที่มันคิดปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็กลับมาเองเราขออย่างเดียวอย่าขาดสติให้มีความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันว่ากำลังทําอะไรอยู่ไอ้จิตที่มันไปนุ่นไปนี่ไม่ต้องห่วงมันเดี๋ยวมันกลับมาเองมันจะไม่พุ่งพลานไปไหนถ้าเราไม่ขาดสติ แต่ถ้าเราขาดสติเ ม, มื่อไหร่มันพุ่งสั้นทันทีเลยให้ดูที่สติอย่าไปคอยวิ่งไล่จับจิตทีดคิดเอากลับมาเอากลับมาเอากลับมาเข้าใจไหมไม่ ulous. เช่นนั้นฟังมาฟังธรรมะมันก็ไม่จะไม่สนใจจะฟังแล้วมันควรจะไปไล่จับรูกให้เอากลับมาไปคอยไล่จับรูปให้เอากลับมาแต่ถ้าเราเนี่ยสนใ จ, นใจตั้งใจฟังธรรมจริงๆสติเราไม่ขาดเลยรูกไปไหนเด็วก็ต้องกลับมาหาแม่นั่นไปไหนเด็กก็ต้องกลับมาหาแม่ แต่ถ้าเราไปวิ่งไล่จับความคิดให้เอากลับมาหาแม่เราไม่มีสติเลยเพราะว่าเราไม่มีความตั้งใจจะฟังธรรมหรือว่าจะวิ่งไล่จับความคิดไล่จับลูกแล้วเอากลับมาฟังธรรมแต่ถ้าเราเนี่ยตั้งใจฟังให้ตั้งใจฟังธรรมไม่รู้เรื่องตื่นมาให้ตั้งตื่นตัวรู้ตัวมาฟังธรรมไม่รู้เรื่องพร้อมจะโตตอบคุยตลอดเวลาลูกอ่ะคือจิต ท, ที่มันไปคิดปรุงแต่งมันไม่ไว้ใจ like ไหนได้เราเดี๋ยวเราต้องกลับมาหาแม่เข้าใจไหมเนี่ยที่เราพูดเนี่ย มันเหมือนจะถูกแต่มันไม่ถูกที่ปฏิบัติเข้าใจไหมระหว่างวิ่งไล่จับความคิดไม่ให้มันคิดไปคอยให้กลับมาอยู่กับอะไรพอวิ่งไล่จับมันความคิดให้มันคิดไปให้ไล่จับให้มันอยู่กับอะไรอันนี้มันไม่ถูกมันผิดแต่เราให้มีสติตื่นรู้อยู่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่คิบไม่ไปไหนไกลได้เด็กก็กลับมาเองมันต้องกลับมาหาแม่เองไอ้จิตที่คิดปรุงแต่งมันเปรียบเหมือนลูกเราไม่ใช่ตัวเรา แต่เราเนี่ยคือสติสัมปชัญญะแต่ไอจิตคิดปรุงแต่งนี่ยมัเสียบเหมือนกับลูกเรามันไปไหนไม่ได้ไกเลเราเดี๋ยวต้องกลับมาหาแม่เข้าใจไหยขออย่างเดียวอยาให้สติเนี่ยที่มาตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันว่ากำลังให้มาตื่นรู้เรื่องในปัจจุบันว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นแหละอยากขาดตัวนเนี้ยจิตมันไม่พงไปไหนได้หรอกมันได้พรุงแต่งไปไหนได้หรอกเดี๋ยวมันต้องกลับ เอาสติตัวเดียวสติตัวเดียวอย่าเอาหลายเอาสติตัวเดียวให้สติมาตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปห่วงจิตนะอย่าไปห่วงจิตนจะคิดนวลคิดนี่เคยนี่อย่าไปห่วงจิตมันจะทําให้มันไม่คิดอย่าไปห่วงจิตเดี๋ยวมันจะไปคิดนวนคิดนี่นจะไปฟุ้งซ่านกายนวล อ, อย่าไปห่วงจิตที่จะพยายามทําให้มันไม่คิดมันก็จะเปรียบเหมือนจะฟังทำก็ไปฟัง ท, ท <ๆ Ask. S 2> มไล่จับลูกที่เอาลูกเล็กๆมา คอยวิ่งคลานไปหมดเลยเราคอยจะวิ่งจะไปจับลูกเอาจับลูกมาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเอาจับลูกมาตลอดเลยตอนนี้ยอย่างเงี้ยมันไม่มีสติแต่เราคิดเรามีสติไอ้การที่เราพยายามจะจับเอาลูปมาให้มาอยู่กับคําสวดมนต์พยายามจะไปไล่จับเอาเอารูกหรือเป็นความคิดเนี่ยให้มาอยู่กับลูหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโถอย่างเนี้ยแหะการทําเราพยายามไปไล่จับกิตที่มันคิดปุงแต่งไปให้มันไม่คิดบ้างไปไล่กลับมันต้องมาอยู่ต้องมาอยู่ ต้องมาอยู่คำส่วนม ith, ต้องมาอยู่กับลาไม่ใจเข้าพูดไหนใจออกโท ถ, ถ้าเราไปคอยทําอย่างเนี้ยมันขาดสติแต่เราเข้าใจว่าเนี่ยเราพยายามฝึกสติอมเนี่นนเออเอนย อ, อย่างเนี้ยไม่นขาดสติเห็นไหมเอาเอาไปเลยเราโทรศัพมาดังไว้คุยซะก่อนเีห็นไหมอย่างเงี้ยจะขาดสติกับปกิมีสติอย่างเงี้ยเรียกว่าขาดสติเห็นไหมเนี่ยอย่างเนี้ยเดียกว่าขาดสติบอกแหวกแล้วขาดสติเห็นไหมเอาไปถุยไปโทรซะก่อน ดีเหมือนกันจะได้เห็นว่านี่ขาดสติไหมพอโทรศัพท์สั่นเข้ามาปุ๊บเราก็ขาดสติแหละใจบกแวกอย่างเงี้ยเรียกว่าขาดสติขาดสติเราก็มีสติขึ้นมามีสติมีความรู้สึกตัวขึ้นมาว่ารู้สึกตัวขึ้นมาว่ามาฟังธรรมเข้าใจไหมไม่เข้าใจสักได้นะเข้าใจยังอ่ะเข้าขใจจริงหรือเปล่า ก, กลับไปปฏิบัติไม่ผิดแล้วนะแต่เนี้ยนะสติอันเดียวนะยาวหลายนะเอาสติอันเดียว สติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทมขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายทมหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีทำมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพ้นจากทุกข์ สติอันเดียวก็ไม่หลายเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าอย่างนี้สติอันเดียวก็ไม่หลายให้มีสติสัมปชัญญะนะความรู้สึกตัวสติให้มาตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเราคิดเรานึกเราปึกเราตองเราปรุงแตง่งด้อารมณ์อย่างไรมีอาการอย่างไรภายในจิตใจเราก็สักต่วันรู้สักต่วันรู้หรือรู้ซื่อซื่อฮู้ซื่อฮู้ซืซ่อ ทุกขณะจิตปัจจุบันไม่ว่าเขาจะมีความคิดนึกติดตองปงแต่งอย่างไรให้มีสติมาตื่นรู้อยู่ทุกขณะปัจจุบันว่าจิตใจของเราเนี่ยมันคิดนึกติดตองปงแต่งมีอารมณ์งงมีอาการอย่างไรไม่ว่าจะสุขใจไม่ไม่สุขใจไม่ว่าจะเป็นกิริยาการในใดก็ตามให้มีสติมาตื่นรู้อยู่ทุกขณะจิตปัจจุบันแล้วก็สักแต่วา่าลสักแต่วา่าลเข้าใจหงนานลึกลึก น, นี่เข้าใจเปล่า เออปฏิบัตินะพี่สาวมานี่่งมาบยกันเหมือนกันเนี้ยใช่ไหมมาเน่ยพี่สาวเคยมาไหฮะโอเคมาเนาะมีอะไรสงสัยไหมไอ้คนมาใหม่ข้างแล้วก็เพิ่งมาใหม่ไหเออามีอะไรสงสัยให้คนมาใหม่ให้โอกาสคนมาใหม่อะมาใหม่ไม่ทำเนี่ยันก็ได้นี่ก็มาใหม่ด้วยเนะนี่ยมีเก่าเนาะใหม่อีกกัน เออวันี้มาใหม่อ่ะชื่อนี่หมชื่ออะไรเนยปทนมาใหม่เนาะมาแถวนี้เหรอวันแถวนี้หรอวนนี้ชื่อมใหม่เนาะมาใหม่สามท่านมีทั้งใหม่ทั้งเก่าร้นไงเยต้งใหม่ทั้งเก่าฟังแล้วหลายรอบมีใหม่ด้วยเก่าด้วยืังไม่เบานะ นิ้วใหม่ด้วยเก่าด้วยก็เมตาคนใหม่ด้วยเนาะเพราะว่าสอนสอนเอาสอนเอาคนใหม่มาก็ไม่รู้เรื่องเอาเอาเมตาคนใหม่ด้วยเนาะเอาคนโอกาสคนใหม่มพรานี่ไม่ก็ไดมางานตรงกลางมันจะได้รู้ว่าต้นนิใหม่ทั้งกลุ่มเลยนีนี่ก็หน้ามันแถวเดียวกันเลยมาใหม่หมดเลยสามพันนอกกว่านั้นเก่าแล้ว อยากจะรู้อะไรเนี่ยมาเนี่ยอยากจะรู้อะไรอืเอาเอาให้กก่อนก็ได้เอาาว่าไงอยากจะมาดูใจตัวเองจะได้ชื่ออะไรนะศุนทรเป็นความเป็นวอศุร ถอนใได้นะใช่ได้ใช่ได้ไดสุนทรนี่ไม่ไม่จะมาดูใจตนเองนะให้หยุดดิ้นรนหยุดค้นหาหยุดพยายามหยุดเพ่งหยุดจ้องหยุดพยายามหยุดอยากถึงอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยา ก, ยากเป็นหยุดไม่หยุดก็หมุนวนอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่ามาเพื่อให้มันเป็นอะไรต้งหยุดหา เป็พรไม่หยุดหาเขาตกอยู่นั่นแหะตกเขาอยู่นั่น <ier> แหะเอาตาทุกตาทุกเขาใไหอยหยุดหายุดหยุดมาเพื่อหยุดนะในใจมันหยุดหยุดหยุดยุดมุนหยุดหาทำ <ier> ไม่หยุดหมุนหยุดหาาตกเขาอยู่นั <ier> <ห>่นแหลหกในใจเร า, <ier> ามันดิ้นมันหามันดิ้นนค้นหาหยุดดิ้นรนค้นหา เขาใจไหมยังไม่เคลียรอันที่ยังไม่เคลียร์นี่ไนมันก็พยายามหาแล้วนะจะหาให้มันเคลียร์ยังไม่เก็ตเออไม่ปิงไม่ติงเมื่อกี้เราขับปิ้งขับปิ้งเลยไม่ปิงไม่ติงไม่ทันเราไม่ปิง เอาสงสัยอะไรก่อ น, นครับเวลาเวลาเราพูดแล้วมันมันปิ้งตามไปเลยอย่ า, ากลับไปเก็บคิดอีกรอบอีกร อ, อ, อบหนึ่งใมันปิ้งตามทันทีเลยพอเราสวนกลับไปเนี่ยมันไม่ไม่ปิ้งทันเราหยุดที่จะสงสัยนี้ ไ, ได้วยเนลย ไมเนื่อยหยดที่จะสงสัยใช่ไมหมไมหยุดฮชใจข้างในไม่หมยุดเห็นเห็นใจที่สงสัยใช่ไหมที่จะเอาคําตอบนั่นแหลคือยังไม่หยุดหยุดสงสยัยหยุดจะเอาคําตอบปุ๊บนั่นแหหยุดเลยเนี่ยมาเริ่มอ่อนแรงแล้วเออไม่มีคําตอบ รู้ด้านใจของเจ้ตัวนะั้นไม่อ น, นาคตวันนี้ไม่ไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องถึงอนาคตว่าแล้วปัจจุบันผมไม่นั่งมันจะเป็นยังไงผมนั่งผ่านมาหรืออนาคตผมกลับไปแล้วผมจะทำยังไงไม่เป็นธรรมะเป็นปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นถ้าหลุดแากปัจจุบันแล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาบูแวงมา คำมั่งมีแต่ปัจจุบันเราพูดกันในปัจจุบันนี้ขณะจิตปัจจุบันนี้ต้องรู้ต้องทันขณะจิตปัจจุบันยังสงสัยอีก่ยังสงสัยในใจยังสงสัยยังไม่หยุดสงสัยไอ้ที่สงสัยเนี่ยมันแสดงถึงความไม่สุดไม่หยุดหาถ้าไม่หยุดหาก็เป็นปัญหาเป็นด้วยปัญหาลงไปลงผลคํากับเรื่องแปลว่าอะไรเลงมันแปลว่ามันเป็นยังไงผลคํากับตันหาผนคํากับสิ ไม่ใช่สิผวนคำกลับสิตัณหาเนี่ยผวนคำกลับคืออะไรตัณหาหาตันเข้าไหมตันหาความหมายของตัณหาคือหาตันเสี้ยววินาทีที่ลงมือหาเสี้ยววินาทีเดียวนั้นที่ยักหาอยู่นั่นแหะตันแล้วนั่คือตัณหาเป็นตัณหาแล้วและตัณหาเนี่ยมันเป็นสมุทัยตัวใหญ่ที่ทําให้เกิดทุกข์เกิดเวียนว่ายตายเกิดเกิดพบเกิดชาติ ปัญหาดับทุกภพชาติจิตจะดับนั้นถ้ายังขั้นในใจอ่ะยังจะหาคําตอบยังจะหาเหตุผลยังจะหาวิธีการยังจะหาทางหาเป้าหมายอันนั้นปัญหาเท่านั้นถ้าท่านยังไม่เห็นว่าไม่เห็นปัญหาในใจตัญหาก็ไม่ดับเพราะท่านไม่เห็นนั่นแหละคือไม่หยุดก็คือไม่หยุดเมื่อไหร่ไม่หยุดปัญหาันก็ไม่หยุดเพราะตัญหาไม่หยุดภพชาติก็ไม่หยุดเพราะว่า ตัญหาเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดอุปาทานอุปปาทานเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชาลาบารณะโสกะประีเดวาตุกะตัวอุปพยาสัทุกโศกเศร้าเสียใจขับแคลนใจเวียนว่ายสายเกิดเพราะมีตัญหาเป็นเหตุหาและตัณนะเทียวันนี่เดียวที่เราหาอยากจะหาความเข้าใจหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลหาความสงสัยหาความตอบไม่ได้แล้วยังไม่เราไม่เข้าใจว่าอันนี้มันคือตัญหา ตัญหาตัวนี้ไม่ดับเพราะว่าเราจะไม่เห็นว่ามันเป็นตัญหาเมื่อเราไม่เห็นว่ามันเป็นตัญหาเราก็พยายามจะหาให้ได้หาคำตอบใได้เขาก็เลยเป็นตัญหาที่จุดอะมันไม่ได้ไปหาให้เราเห็นอะไรหรอกเห็นตัญหานี่ไงที่เรายัางยึดไม่หยุดไม่จุดอลยที่ว่าให้หยุดก็คือหยุดปัญหานี่เข้าใจไหยไม่เข้าใจนั่งทบทวนไปก่อนนะคนกลางเป็นยังไงบ้างคนกลางคนกลางมาฟังไดีๆเนาะ เมาฟังเนาะมามาใคมการมาคมเดียวะมาว่าสาวมาหยุดคนแถวนี้เนาะโอเคอยากรู้อะไรมั้งอยากรู้เนาะอยาฟังไปเรื่อยๆเนาะเออการอยาฟังไปเรื่อยๆาวนีอยากรู้อะไรก็ไม่อยากว่าคือไปวัดน้ไปเรื่อยๆากานไต้องมา เดี๋ยวจะถึงไหนอ่ะจะถึงไหนอ่ะจะถึงไหนจะไปหาอะไรจะไปหาอะไรก็คือมันเหมือนจะดนอจะเป็นยังไงนะ้หยุดหายุดจากนั่งหยุดจากเงินหยุากเง็น หยุดอาุดยากถึงหยุดหยักได้หยุดหยักเป็นหยุดได้ในใจเราหยุดได้ไหมไม่ได้เลยนะว่าไงําได้ําเลยเหมือนเวลาเราฝึกทเนี่ยเราก็เหมือนีเดียวอะไรอย่างนี้ยแบบว่าเะแบ้ว่าเราแบบมันเหมือนไปไม่สุดอะค่ะ ที่เราจะไปให้สุดให้สุดเ น, นีเ่ยนมันเครียดเราจึงให้หยุดก่อนเนี่ยอที่เราจะไปให้สุดเนี่ยมันเครียดมันเครียดจนเราไม่รู้ตัวตรงนี้เนี่ยมันเครียดเราพยายามหนุดมากห <c oughs> ยุดทําเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมหยุดที่จะไปได้ไหม จยุดที่จะหาได้ไหมเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้จะต้องหาให้ได้แล้วเราไม่เห็นในะการหานี่เครียดอทำให้เราเครียดอที่เราเนี่ยอยากกะถึงหรือก็ได้จะเป็ น, นมันเครียดมากเลยมันเครียดเราไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยมันเครียดมันทําให้เราเครียดมากธรรมะมันคือความหายเครียดหายทุกข์แต่เรายิ่งปฏิบัติเรายิ่งเครียดยิ่งทุกข์มันจะเป็นธรรมได้ยังไง ทำให้ดีนะธรรมะมันคือความพ้นทุกข์คือความพ้นทุกข์ก็คือความพ้นความเครียดด้วยพ้นความเครียดมีความเครียดมันก็คือมีความทุกข์เลยเนี่ยแต่เราอยากที่จะได้อยากที่จะเป็นอย่ากที่ไปให้สุดทางสุดเครียดแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ตัวอันนี้มันผิดทางแล้วมันผิดทางแล้วเพราะว่าธรรมะมันคือมันพ้นทุกข์พ้นความเครียดแต่เรากับปฏิบัติธรรมมันยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ มันผิดท า, นนะางแล้วเออถูกต้องนะแล้วเป็นไงก็หาทางหยุ ด, าาดมันก็ไม่หยุดหรือยางหาทางใจหยุดมันก็ไม่หยุดอีกอ่ะแสดงว่าไม่ยอมหยุดตัวที่เสียงหาทางหยุดมันก็ไม่ยอมหยุดอยู่นั่นแหละหยุดไม่หยุดไม่ได้อนะไรล่ะหยุดยากเออหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นอยากไปให้สุด หยุดอยากแค่นั้นแนความทุกข์ความเครียดมันจะหายไปแล้วแค่นั้นเองหยุดอยากหยุดอยากที่จะถึงอยากจะได้อยากจะเป็นแค่นั้นเองเพราะว่าอยากมันเป็นปัญหามันทำให้เราทุกข์เราเครียดมากเลยมันเป็นทางตรงข้ามปฏิพันธ์เพราะว่าปัญหามันเป็นกิเลสปัญหามันเป็นทางกิเลสมันทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดปัญหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานความคิดบั่นถือมัน อุปทานเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดภพเกิดชาติเกิดชร า, ามวรณะโสกปริเดวาทุกะทรมราอุปายาสะทุกโสเศร้าเสียใจขับแค้นใจเกิดการเรียนร่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์เพราะตัณหาเป็นเหตุตัวเดียวเลยอืมใช่ทุกข์เตมเลยเราดิน้นรนจนเหนื่อยมามากแล้วเมื่อไรจะพักผ่อนกทีละเหมือนกับเดินทางไกลมายาวนานแสนนาน แล้วก็บอกว่าอยากจะพบกับความสุขทีเราเดินทางไกลมาข้ามพบข้ามชาติยาวนานแสนนานแต่เราไม่หยุดแล้วเราก็บอกพูดเองว่าเราอยากจะพบกับความสุขพบกับความสงบแล้วเมื่อไม่หยุดแล้วมันจะเป็นมันจะพบกับความสงบแล่ความสุขได้ยังไงมันเหนื่อยล้ามามากแล้วพอความยินรุนนนะี่ย มันเก็บเป็นทุกข์ทั้งทางโลกและเป็นทุกข์ทั้งมา ก, กมารแสวงหาธรรมมันทำให้เราเป็นทุกข์มามากแล้วมีความทุกข์ความเครียดมามากพอแล้วเราไม่รู้เลยว่าความทุกข์มันก็เกิดจากการดิ้นรนสแสวงหาธรรมเราดิ้นรนสแสวงหาทางโลกสแสวงหาความร่ำรวยยศถาบรรดาศักด์ตำแหน่งเราก็ทุกข์มามากแล้วกับการดิ้นรนม เสร็จแล้ววนเรามาป่าทนาความทุกข์มาปฏิบัติธรรมกับดิ้นนแสวงหาธรรมอีกมันก็ยิ่งทุกข์หนักไปอีกโลกก็เป็นทุกข์พอแรงนะกลับมาที่ล่นสแสวงหาธรรมมันยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกเลยทุกซ้อนทุกเข้าไปอีกมันทุกข์มามากนะทุกแบบนี้มาข้ามภพข้าชาติยาวนานแต่การเดินทางไม่มีวันที่สุดเราอยากจะร้องไห้ก็ร้องมาเฮะ อ, อืมไม่ต้องไปบีบคั้นหรอก มันทุกขุมามากแล้วพอการดิ้นรนหยุดเสียเท่านั้นเองความทุกข์อย่างทั้งหลายก็หายไปสิทุกอย่างมันจบลงที่ใจเท่านั้นไม่ได้จะมาจบที่อย่างอื่นมันจบลงที่ใจในปัจจุบันเราเหนื่อยมามากพอแรงแล้วทั้งการดิ้นรนในทางโลกทั้งการดิ้นรนในทางธรรมล้วนแต่เป็นทุกข์ หยุดบิดหลนจะเธินความทุกข์ทั้งมวลก็จะหมดไปดับไปแบบนี้เนะี่ยพอแล้วนะครั้งหนึ่งเวลามีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนะในเวลากลางคืนเราเดินทางผ่านภูเขาลูกหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าอยากไปคุยกับ หลวงปู่องค์หนึ่ที่อยู่บนยอดเข า, าอายุท่าน80กว่าปีที่อยู่บนยอดเขาท่านอยู่องค์เดียวอยู่บนยอดเขาไม่มีไฟฟ้าสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าแต่เราอยากขึ้นไปบนยอดเขานะั้นเราก็ขึ้นไปเคาะประตูเรียกท่านเพราะท่านมืดหมดเลยในกุฏิท่าน ไปเคาะประตูเรียกท่านท่านก็จุดเทียนออกมาจุดเทียนเดินออกมาก็เออข้าไปคุยกับท่านหลวงปู่ท่านได้กล่าวว่าท่านใกล้จะมรณะภาพแล้วอายุ80กว่าแล้วใกล้จะมรณภาพแล้วท่านเสียใจอย่างยิ่งอยู่อย่างหนึ่ง ท่านใกล้จะมรณภาพแล้วท่านเสียใจอย่างยิ่งอยู่อย่างหนึ่งท่านว่าไม่ว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ว่าเลอเลิศประเสริฐไม่ว่าสถานที่ใดทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียงที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมว่าดังๆโด่งดั ง, ด ง, ดงท่านไปมาหมดแล้วไปลองปฏิบัติมาหมดไปลองปฏิบัติมาจนหมดแล้วท่านบวชมาตั้งแต่เป็นเนนนะมั้งจนอายุแปดสิบกว่าแล้ว และไปลองปฏิบัติมาทุกที่แล้วดิ้นรนค้นหาแสวงหาพระนิพพา น, านไปหาครูบาอาจารย์ไปหาสำนักที่โด่งดังต่างๆในทัน้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ม, มาหมดนะท่านว่าทำมาหมดทุกอย่างแล้วทำมาหมดทุกอย่างนะ แต่เสียใจอย่างยิ่งเลยใกล้จะมรณภาพแล้วไม่เห็นแม้แต่เงาพระนิพพานอายุถึงแปดสิบกว่าแล้วบทมาตั้งแต่เป็นเนนไปมาหลายสำนักไปมาหลายครูบาอาจารย์แต่เสียใจอย่างยิ่งเลยว่าไม่เห็นแม้แต่เงาพระนิพพานทำมาหมดทุกอย่างแล้วจนแทบล้มประดาตายแล้วไม่เห็นแม้แต่เงาพระนิพพาน เลยมองหน้าท่านแล้วก็บอกว่ายังที่หลวงปู่ว่าทํามาหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยเหลืออีกอย่างนึงยังไม่ได้ทําเราก็ชี้นิ้วขึ้นมานิ้วหนึ่งเหลืออีกอย่างหนึงที่หลวงปู่ยังไม่ได้ทำํำท่านเลยมองหน้า นิ่งมองหน้าเราอะไรอะไรที่เรายังไม่ได้ทําเราทํามาหมดทุกอย่างแล้วมีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทำหยุดทำอ่ะหยุดทำยังไม่ได้ทําเลยมีแต่ทำยังไม่เคยหยุดท่านตกตลลึงเลยตกตลลึงตาค้างเลย ท่านว่าท่านทํามาหมดทุกอย่างแล้วจะล้มประเดชล้มประดาตายยังไม่เห็นแม้แต่งเงาพระนิพพานแต่วันหนึ่งกลับมีผู้มาบอกว่ายังไม่ได้ทำอีกอย่างหนึ่งยังยังไม่ได้ทําที่หมดแล้วใช่ไหมครับอะไรอะไรที่ไหนไม่ได้ทำหยุดทํายังไม่ได้ทําเลยท่านตกตะลึงเลยตาค้างหยุดพักใหญ่ ระเบิดหัวเราะลัน่นภูเขาเลยหัวเลาะอะาอ้อ้อ้ขอญาติขอญาติหัวเลาะอ้าอ้าอ้ดังลั่นภูเขาเลยระเบิดหัวเราะสะใจตั้งน้ำหูน้ำตาระเบิดหัวเลาะดังลั่นสนั่นฟั น, น, นไหวภูเขาหมเลยอ้าอ้าอ้าอ้าำมากเลยขำสะใจหลาใจใจ ทั้งชีวิตแสวงหาเิ่ล้นสุสุด ข, ขอบฟ้าที่แท้อยู่ใกล้เพียงแค่ลิมตาเรานี่เองทำแทบล้มประเดยียประดาตายที่แท้หยุดทำยังไม่เคยทำเลยเขบอกว่าหยุดแก่นั้นแหะหรืออีกอย่างเดียวนั้นแะที่ยังไม่เคยทำาอกจากนั้นทำมาหมดแล้วหยุดแก่นั้นยังไม่เคยทำ โอ้ไม่เคยคิดเลยตรงเนี้ยไม่เคยอยู่ในสมองเลยมันมีแต่จ ะ, จะทำจะทำจะทำจะทำอย่างเดียวให้มันถึงให้มันไปให้สุดขุดให้มันถึงให้ไปที่สุดขุดให้มันถึงค um. ิดแต่ว่ามันไม่ถึงไม่ถึงต้องเร่งเข้าเร่งเข้าเร่งเข้าเร่งเข้ามันจะตายแล้วมันจะต้องเร่งเข้าเร่งเข้าไม่เคยคิดเลยคำว่าหุดไม่มีอยู่ในหัวสมองอยู่ในใจเลย ผมบอกหยุดแคนั้นแะเนชื่อเข้าไปถึงใจท่านเลยอ่ะมันเชื่อเข้าไปถึงใจท่านเลยท่านตกกระลึงอ้าปากค้างเลยห <c oughs> ัวเราะระเบิดดังลั่นภูเขามลย <c oughs> อ้าอ้อาอ้าอ้าหัวเราะดังลั่นหูเขาเลยสะใจมากเลยสั่งดิ้นล้นสุดคอฟ้า สแสวงหาหนทางแสวงพระนิพพานแสวงหาพระนิพพานดิ้นบนจุดขอบฟ้าแาาสวงาาสาหง า, า, าหนท า, าแงแสวงพระนิพพานที่แท้อยู่ใกล้เพียงแค่ลิตาคำว่าหยุดคำเดียวเนี่ยคิดไม่เป็นระเบิดวระสนั่นวันไหวเหมือนกับภูเขาตั้งภูเขาสว่างสวายเหมือนกับกลางวันเลยความทุกข์ทั้งมวลจากจ่ายของท่าน มันหายไปเลยในาดนั้นมันเหมือนกับลามันเหนื่อยมาทั้งชีวิตไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้มันเหนื่อยเหนื่อยแสน เ, น, ยเ น, นเหนื่อยลาเป็นทีลวมันเหมือนกับเดินทางมายาวไกลมากนานแสนนานเป็นพบเป็นเป็นกลับเป็นแสนแสนกลับในการแสวงหาทางพัญทุก มันเหนื่อยมากยาวนานมากมันเหน็ดเหนื่อยแสนเหนื่อ ย, นนอยจนปอล้าอดกำลังแล้วพอมีบอกมีคนมาบอกว่าให้หยุดแค่น่ะนหะมันก็เอานิวน้วชี้ไปยิ้มแตะหน่อยเดี๋ยวมันล้มโครงเลยพร้อมที่จะหยุดอยู่แล้วเพราะว่ามันดิ้นหล่นมาจนเหนื่อยมากเต็มทีแล้วนะมันฟิลมันจะขาดแล้วมาในชาติปัจจุบันก็ดิ้นหล่นก้นหาจนถึงอายุแปดสิบกว่า ไม่เห็นแม่แตงเงาวันนี้มันอ่อนล้าอ่อนกำลังแรงมากนะมันทุกแสนสาหัสเหมือนกับอนันวิจีไปจิ้มทัานนิดเดียวก็หยุดเลย อ, ลววลอุ่นเลากรเปิดอุ่นเลานั้นบันไหวสว่างทั้งภูเขาฟันบอกว่ามาทำไมเนี่ย มาทำไมมาหาท่านทำไมว่าอยากจะได้อะไรเนี่ยเอาไปให้หมดเลยในกุติของท่านเนี่ยอยากจะได้อะไรก็เอาไปให้หมดเล ย, อน เ, น ย, อยอเอาไปให้หม ด, หหมดท่านให้หมดทุกอย่างอยากจะได้อะไรให้หมดทุกอย่างเลยต่นให้หมดทุกอย่างบอกไม่อยากจะได้อะไรเลยมาหาท่านก็เพียงแค่จะมาพูดคํานี้คำเดียว ทายังลำพึงเลยว่ามาทําไมเนี่ยมาทําไมมาทําไมมาเพื่อจะบอกคำคำเดียวมาทําไมในหนังสือจบที่ใจของเราถ้าเคยเห็นใครเคยเห็นหนังสือจบที่ใจของเราที่หน้าปกเขเขียนว่าองไรมีรูปด้วยมีรูปคนเดินทางด้วยที่หน้าปกมีรูปผู้เดินทางด้วยและมีข้อความใต้ รูปผู้เดินทางว่าอย่างไรหลายคนสแสวงหาหนทางไม่มีวันสิ้นสุดแต่บางคนสิ้นสุดเพราะหยุดสะไรหาจบที่ใจ